บุ๊กทูหนึ่งร้อย sad คำวิเศษเก t e เคยยังไม่เคยยบอร์ทคอนุนฮาร์เกคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง อ๋ย่ทอเบฮอลดาร์เบลินบูเดอิดไม่ยังไม่เคยเลยครับน้าฮาร์เกใครไม่มีใครแคซี่ฮิคสคุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับชัวโอินจอคสซีรามีชนสดไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ น่ามัน enjoy แค่สิรงเนมิชิลอนซอีกนิดอีกไม่นานฮานูสฮัมดิยาร์น่คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมชโม่โมดัตต์บิชเต ن ร์ยินจามีมานิดไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับน่ามันดีเก ز ی ا د ا อินจ ن เนม ا มาน อะไรอีกไม่อีกแล้วิมอนนคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมไมีขอให้เมกโดริติยาร์เบนูชีดไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับน่ะพีชาซินแน่มีขออะไรบ้างแล้วยังไม่เลย تا حالا مقداری هنوز هیچ คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมชโมจิซี่ค ر د ไ اید ไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับน่ هنوز هیچ چیز ن خ น่าคอ م มีใครอีกไม่มีใครอีกแล้ว کس د ی گ อีกครั้งฮิ มีใครอยากรับกาแฟอีกไหมชัสดียกีกาเบมีขอ้อหดไม่ไม่มีใครอีกแล้วครับน่าดียากแสซี่มีขอหดารุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด